คูธรรมสู่กันฟังเล็กน้อยเนาะขอากาดห่องพ่อครูบาอาจารย์ทุกรูปแต่ก็ขอากาดเพื่อนแต่ทำให้ทุก ท, ท่านเชื่อในธรรมไม่ขี้แต่นะักปฏิบัติธรรมทุกคนเนะเาะแล้วก็มากันที่วัดคงจะใกล้วันมาค้าบูชาเป็นวันหยุดหลายวันก็ถือโกาสมาปฏิบัติธรรมเนานะมาฟังธรรม ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราเมื่อมีบัญยตดมีโอกาสเราก็มาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อพัฒนาจิตใจของเราเองนะดีละจะรอให้เวลามีปัญหาเราค่อยเข้าวัดนะค่อยมาหาธรรมะืม่อทีมันมันมันยากนะเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็มาปรารว่า เขาอบอกว่าจะกลับแล้วนะจิตฟุ้งซ่านมากจิตไม่สงบนะอยู่ไม่ได้นะถ้าทั้งที่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมาบวชยาวนะหลังจากมีปัญหานะกับครอบครัวตรเนะี้ทั้งใจจะมาอยู่วัดบวชยาวแต่อยู่ไปรอจะบวชนะจิตฟุ้งซ่านนะไม่สงบอยู่ไม่ได้ขอไปก่อน บางทีเราก็เห็นว่าเออมันส่วนหนึ่งที่เขาเห็นผิดเนาะก็พอลมีปัญหาแล้วก็ค่อยมามาแก้ปัญหามันก็ยากนะเพราะว่าไม่เคยฝึกมาก่อนพอเจอปัญหาในชีวิตหนักๆก็แก่ยากนะก็เลยมีความทุกข์หนักนะแต่ก็พอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีความเข้าใจผิดอีกว่ามาปฏิบัติธรรมหรือมาอยู่วัดเพื่อทําจิตให้สงบ คล้ายๆเพื่อให้จิตมันไม่คิดเพื่อให้มันไม่ฟุ้งซ่านให้มันสงบนิ่งอย่างเดียวนะก็เป็นความเข้าใจผิดนะพอแท้ที่จริงแล้วจิตมันไม่ได้สงบจิตมันก็คิดมันก็หลงไปตามเรื่องตามราวของมันแต่เราไปทุกข์กับมันเองนะจิตมันคิดจิตมันปรุงแต่งแต่เราไปยึดว่าจิตมันเป็นตัวตนของเรานะแ้วเราก็พยายามจะทาให้มันสงบ แต่พอทำแล้วมันไม่สงบก็เลยเหนื่อยก็เลยดำคาญใจก็เลยเกิดความทุกข์ใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็น่าสงสารเนาะน่าเห็นใจว่าถ้าเราวางใจเป็นเนาะนะแม้จิตมันจะคิดแม้จิตมันจะปรุงจะแต่งไปแต่ถ้าเราไม่ไปยึดว่าจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันก็ไม่ไปทุกข์เพราะเรื่องของจิตนะนะอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมของ ในแบบหลงพ่อเทียนเองไม่ได้เน้นเพื่อทำจิตให้สงบนะแต่สิ่งที่เราฝึกก็คือฝึกให้มีสติรู้ทันเวลาจิตมันไม่สงบนะเวลามันเกิดความคิดเกิดอารมณ์เกิดขึ้นให้เรามีสติคอยรู้ทันมันอ๋อมันเผลอไปคิดนะมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยเราฝึกเพื่อให้รู้ทันการรู้ทันว่าจิตมันไปคิดการรู้ทันว่าจิต มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนี่เรียกว่ามีสติแล้วนะแต่ถ้าจิตมันไม่คิดจิตมันนะไม่ได้มีอารมณ์อะไรเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็รู้กายที่เราเคลื่อนไหวนี่แหละอนะนั้นเราสามารถภาวนาได้ตลอดเวลาเลยนะตอนไหนที่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตใจเราก็รู้ทันที่นี่เกิดขึ้นกับจิตใจ ตอนไหนที่อารมณ์เกิดขึ้นกับจิตใจไม่เด่นนะแต่เราก็สามารถรู้กายที่เคลื่อนไหวนี่แหละนะเป็นฐานนะกรรมฐานแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีกายที่เคลื่อนไหวเป็นฐานตลอดเวลาหลวงพ่อเทียนท่านไม่เน้นให้พวกเราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะเพราะาอะไรพอเรามันนิ่งมันเฉยมันมันเมอมันลอยมันหลงไปได้ง่ายนะหรือถ้าเราไม่หลงเราก็จมกับอารมณ์เลยนะ จมกับความสงบจมกับความสบาย น, นะฮือบางทีก็จมกับความคิดปรุงแต่งธารุพัฒ์ไปอันนีนะ้เรียกว่าเป็นการจมหรือว่าเป็นการหลงก็ได้นะหลงฝ่ายหนึ่งเรียกว่าหลงไปคิดฟุ้งซ่านอ่าหลงไปปรุงแต่งหลงอีกฝ่ายหนึ่งคือหลงไปพอใจไปชอบหรือว่าไปแช่กับความสงบกับความสบายอันนี้เป็นความหลงที่เรียกว่านะคนทั่วไปนะก็มักจะหลงกัน นะปุ้ทุชนคนธรรมดาก็หลงไปกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับความคิดต่างเนี่ยเป็นประจำนะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมบางทีนะถ้าเราทำความสงบได้นะทำสมาธาได้มันก็เกิดความสงบใจเกิดความสุขใจไปแช่ไว้ก็เป็นการหลงอีกแบบหนึ่งนะแต่การภาวนาแบบเจริญสติแล้วจิตจะสงบหรือฟุ้งซ่านนะ มีค่าเพื่อให้มันแค่รู้เท่านั้นนะก็คือตอนนี้มันสงบก็รู้ว่าสงบตอนนี้นะมันไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบนะตอนนี้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดตอนนี้มันไม่คิดก็รู้ว่ามันไม่คิดแค่นี้ก็พอละนะถ้าเราทําแบบนี้นะนะนะจะมีอะไรเกิดขึ้นในแต่ละวันเราก็สามารถที่จะเจรเินสติได้นะ่เจริญนะ ส, สติได้ทั้งนั้นนะจะมีอะไรมากระทบนะ กับกายกับใจนะเราก็สามารถรู้สึกตัวได้ไม่ทางกันอันเนี้ยถ้าเราทําแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการทําความรู้สึกตัวนะตื่นตัวนะแล้วก็ไม่เป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอย่างหลวงพ่อคําเขียนจะเน้นว่าเป็นผู้ดูหรือเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เห็นหรือว่าเป็นเลือกเป็นผู้เห็นหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าไปเป็นแล้วอันนี้คือสิ่งที่ ดักในการดูหรือในการเห็นเนะี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกให้ออกมาดูวันนี้นะกายมันยืนเดินนั่งนอนกู่เหยียดเคลื่อนไหวก็มีใจที่มีสติคอยเห็นนะไม่เข้าไปไม่เข้าไปแช่ไม่เข้าไปจ้องนะไม่เข้าไปอยู่กับมันจิตมันมีอารมณ์เกิดขึ้นมันคิดเกิดขึ้นเราก็มีสตินะที่เห็นมันอีกทีหนึ่งนะ จิตเมื่อกี้มันคิดจิตเมื่อกี้มันปรุงแต่งจิตเมื่อกี้ไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีสติเห็นมาอีกทีหนึ่งนะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเออมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็ผ่านไปทั้งนั้นนะไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะดีจะได้ไม่ว่าจะรักโดคโกรธหลงก็แล้วแต่นะเกิดขึ้นมาอ่าตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะไมไ่ต่างกันเลยอันเนี้ยคือถ้าเรามีสติเนาะเราก็จะเห็นเช่นนี้นะ แต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องพยายามประกอบนะหรือว่าทําความเพียรอยู่เสมอนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําความเพียรถ้าเราไม่ประกอบในการสร้างสตินะความหลงนี่มันเรียว่ามันคอยที่จะช่วยโอกาสเข้ามาแทรกนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะอยู่ตลอดเวลานะบางทีเราอย่างมาเห็นบางทีช่วงหลังเนี่ยเหมือนที่วัดเรามักจะปิดประตูอยู่ข้างหน้าเสมอ อาจจะปิดกันหมามั้งแต่พอเปิดประตูนิดนึงเนี่หมามันแอบเข้ามาทันทีเลยนะมันจ้องที่จะเข้ามาอย่แล้วอปิดกันยังไงก็ไม่ได้หรอกนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะนะพอเปิดโอกาสไม่มีสติแวบหนึ่งนะความคิดความหลงก็เกิดขึ้นนะทันทีเลยมันจ้องที่จะเข้ามาทันทีเลยนะแต่มันเข้ามาแล้วนะมันก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้ทันมัน นะมันก็กลับมาเป็นปกติได้นะมันยังยากกับการไล่หมูไล่หมาให้ออกไปจากวาติกนะมันต้องตามจับตามอะไรแต่จริงเราเพียงแค่รู้ทันอ๋อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็หายไปของมันละนะแต่ทํำใหม่ๆมันเหมือนชักกระเยาะกันนะระหว่างตัวรู้กับตัวหลงนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงนะแต่เราก็พยายามสร้างตัวรู้แบบนี้แหละให้บ่อยๆนะถ้าตัวรู้มันมาก ตัวหลงมันก็น้อยมันเป็นแบบนั้นนะมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับความสว่างกับความมืดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ได้ว่าเป็นปลับปักกันนะเหมือนกับความขาวกับความดํามันก็เป็นธรรมชาติที่อยู่ตรงข้างกันนะตัวรู้กับตัวหลงก็เป็นธรรมชาติเช่นนั้นเหมือนกันนะเราก็เพียงแค่สร้างตัวรู้บ่อยๆสร้างตัวรู้บ่อยๆไม่ต้องไปําคาญตัวหลงนะ ถ้าเราหลงไปตำคานตัวหลงแต่ว่าเราดองซ้อนหลงเข้าไปอีกนะมันหลงไปแล้วนะไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนของเรากลายเป็นความทุกข์นะกลายเป็นความไม่ชอบใจนะสุดท้ายความคิดความหลงก็ลากไปทําให้ท้อให้ถอยให้เลิกปฏิบัติให้กับบ้านนะไปดี ก, กว่าอันนี้ยก็คือมันลากเราไปเลยนะแต่ถ้าเราแค่เห็นมันเฉยๆนะไม่เป็นอะไรกับมันมันก็ไม่ต้องไปทุกข์ ไม่ต้องไปร้อนอะไรกับมันอันนี้คือการปฏิบัติธรรมมันไม่มันไม่ได้ยากนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องคอยคอยฝึกคอยหัดคอยรู้ทันตัวเองอยู่เสมอนะอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นนะอย่าไปห้ามเขานะความคิดไม่ต้องห้ามนะเราปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปห้ามความคิดนะแค่รู้ทันว่ามันไปคิดจิตมันเผลอไปคิดของมันเองนะ ไม่ต้องไปห้ามนะเสียงเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถห้ามได้แต่สิ่งที่เรารู้ทันเรารู้ทันนะ ร, รู้ทันอารมณ์ของเราว่าเรามีอารมณ์ฟุ้งซ่านไปกับเสียงไหมตำคานไปกับเสียงไหมนะอย่างช่วงสองสามวันนี้ก็มีเสียงเพลงเปิดเสียงดังกลางคืนนะเราก็สังเกตเราได้เออจิตใจของเราเป็นแบบไหนนะขณะที่นอนอยู่เสียงดัง ลำคาญเขาไหมเนี่ยนะเราก็สามารถรู้ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ปรุงแต่งอะไรต่อไปหรือเปล่าหรือว่าแค่ได้ยินนะก็รู้ไม่เป็นสมารถห้ามเขาได้เรามารู้ทันตัวเองมาพักผ่อนมาสงบที่ตัวเองดีกว่าไหมอันเนี้ยนะี่คือการปฏิบัติธรรมคือการกลับมาดูตัวเองกลับมาแก้ไขตัวเองนะเราไม่สามารถไปแก้คนอื่นได้แล้วก็มาแก้ที่ตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดนะ นอกจากบางอย่างที่สามารถแก้ไขปรับปรุงปรับเปลี่ยนได้เราก็ทําบ้างนะถ้ามัน ม, มันเป็นเหตุเป็นปันจจัยที่เราสามารถทำได้ น, ะนี่แหละคือสิ่งที่ที่เราต้องคอยฝึกหัดคอยภาวนาเนาะทางตอนนี้ก็เมื่อเช้าหลวงพ่อก็พูดแล้วไม่มีใครทาให้เราได้เนาะพระพุทธเจ้าเองก็ตามหลวงพ่อครูบาอาจารย์นีงก็ตามก็ไม่สามารถทําให้เราได้ มีแต่พวกเรานะต้องมาทําด้วยตัวของเราเองเนาะก็ทําเพระอตมาก็คิดว่ า, วาบาปทำนิดหน่อยก็พอละ ว, วันนี้เพราะว่าอืดักการในการภาวนามันก็มีเท่านี้นะก็อยากให้พวกเราได้ได้ทําความเพียรกันนะให้เยอะๆนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะแต่ก็ทําด้วยความสบายๆอย่าไปเคร่งเครียดนะทําเล่นๆนะรู้เล่นๆนะอย่าไปคาดหวังอะไร จะได้อะไรจะรู้อะไรจะเป็นอะไรจะเห็นอะไรวางตรงนั้นซะนะถ้าเราไม่วางตัวนี้นะมันจะทําด้วยความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะอยากแสดงอะไรต่างๆถ้าทำด้ตันอันนั้นทําด้วยความอยากก็คือทําด้วยตันหาทําด้วยตันหามันก็จะเกิดเป็นความทุกข์นะเราต้องละตันหาถึงจะพ้นจากความทุกข์เนาะอันนี้คือทางที่ ค พ, พุทธเจ้าท่านสอนล้กก็ฝากพวกเราไว้นะในเย็นวันนี้อากาศพักกัน